ก็คือฉันท่าต้องแรงวิริยะต้องกล้าเนี่ยเนี่ยย่ำสำเร็จในสํานักของพระเจ้าเท่านั้นความที่อภธิการนั้นยังไม่ถึงซึ่งความมีกําลังโดยความเป็นอัธยาศัยอันโอรานคืออัธยาศัยที่โอรานอัธยาศัยที่ยิ่งใหญ่นั้นจะไม่ค่อยมีแข็งแรงในขณะที่เราไปตั้งไว้ที่ลานโพลานเยดีเปเนต้นหรือพุทธปฏิมกรทั้งหลายเนี่ ย, ยประการต่อมาคือปรปชาติได้คือความเป็นอนาคาริก คือผู้ไม่มีเรือนนะนะนาคาฤกษนะ์ใย่อมสมควรในพุทธศาสนาหรือในนิกายของดาบทหรือปริพาชกผู้เป็นกรรมวาทีกิริยาวาทีเนะีหรือเป็นวิริยาวาทีกิริยาวาทีกรรมวาทีถ้าเป็นพวกปริพาชกที่ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมไม่มีความเข้าใจกรรมและผลของกรรมเนี่ยโมโนกาดอีกแล้วท่านทั้งหลายต้องตั้งอธยาสัยจริงๆนะเพราะโอกาสเจอพระพุทธเจ้าน้อยไม่เจอมากเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นด้นไปเนี่ยเนะี่ โอกาสที e ่เราจะเจอพระพุทธเจ้าก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะลมหายใจขาดปุ๊บโอกาสจะเจอแทบจะหมดเลยเพนไวจะมีโอกาสไปเกิดในเมืองที I ่มีพุทธศาสนาก็ได้ถูลูทูกกังไว้หน่อยเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าไปเกิดในประเทศอื่นในเมืองอื่นขึ้นมาในโอกาสไม่ได้เจอทั้งทั้งที่พุทธศาสนายังมีกําลังแผ่ภัศาลไปอยู่เรื่องหน้าหวาเสียวมาชีวิตที่จะเป็นไปในอนาคตเนี่ยอันใกล้นิดเนี่ยนะอันใกล้นิดหน่อยแันนั้นนะ ว่าลมหายใจไม่รู้จะขาดในบ้านหรือนอกบ้านใช่ไหมจะขาดเพราะโรคอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมจะขาดในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ไม่รู้ใช่ไหมลมหายใจขาดแล้วจะไปปฏิสนธิหนะ้าที่ไหนก็ไม่ทราบโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าหวาดเสียวจริงๆชีวิตแต่ละท่านเนี่ยนะทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังหวาดเสียวพ อ, พ, อพอกันเนี่ยนะแล้วแต่ใครจะตั้งอัธยาศัยได้มั่นคงเนี่ยนะในคุณของพระบรมศ า, ศาสดานะขนาดจับมือกันยังไปที่เดียวกันไม่ได้ เอาเชือกมัดคล้องติดกันก็ไม่ได้บางคนกลัวไม่ได้ไปเกิดในที่เดียวกันเนี่ยไปลอยกระทงมัดกระทงคู่กัน้กระทงอันนึงนันคว่ตัวนี่พาย น, นั้นคว่ำกลับมาทะเลาะกันแล้วตายบอกแม่เพราะมัดกระคุณนี่แหละจะนัน่นคว่ำก็เหมือนคว่ำเคยเป็นไหมยอมอดีตเคยทำไหมอ๋อเนี่นก็ทำมาแล้วไปมากเคยไปยืนดูครับ มีคู่ก็ไปลอยลอยด้วยกันเนี่มันความมันก็ลากอีกกนหนึ่งความกรรมไม้ทะเลาะกันเลยความ่กระกงความมัอยากจะไปเกิดด้วยกันไม่ไปไมันได้ไปไม่รู้ไม่ไมนิริตหมายยังไงมัจะลงต่ำทั้งคู่เป่าเลยที่กลความเหนนั้นที่มันน่ากลัวก็เนอะฉะนั้นต้องเป็นกรมวาทีกิริยาวาทีเหมือนอย่างที่เป็นอย่างสุมเมธาดาบทเนี่ยนะบัณฑิตฉะนั้นเป็นความจริงว่าสุมเมธาบัณฑิตนั้นเป็นดาบท ชื่อว่าซูมเมตเนี่ยจึงได้ตั้งปณิธานอย่างนั้นได้ความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ปราดถน า, นานในสํานักของพระเจ้าวตสณุแล้วผู้เป็นบนรรพชิตเท่านั้นในสํานักของดาบทในสํานักของพิกตุทั้งหลายเป็นผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมไม่สําเร็จแก่ผู้ที่ตั้งอยู่ในเพศเครือขัดเพราะเหตุไรเพราะไม่มีความสมควรแก่ความเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า จริงเดียวนพีพระมหาโพธิสัตว์ที่เป็นบรนพชิตเท่านั้นย่อมบรรลุซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณได้ไม่ใช่เป็นคฤหัสเพราะฉะนั้นในเวลาตั้งปณิธานสมควรเป็นเพศบรัรพชิตเท่านั้นเพราะความอธิฐานด้วยความถึงพร้อมแห่งคุณโดยแท้จริงคําว่าถึงพร้อมด้วยคุณได้แก่ถึงพร้อมได้ทำเนีมีฌานเน่ยฌานในที่นั้นก็คือว่าฌานที่เขาเรียกว่าฌานสมาบัติ8 ฌานสมาบัติแปดก็คือว่ารูปประฌาน4ี่รูปประฌานสี่ฉะนั้นคนที่ได้ฌานเนี่ยนะถึงความได้คุณก็คือการมีฌานเนี่ยนะคือว่าฌานสมาบัติแปดแล้วก็ยังอภินญ่าห้าสรุปก็คือทั้งอภิญญาห้าและสมาบัติ8ดแล้วจึงจะตั้งปณิธานได้ความปรารถนาสําเร็จแก่ บ, บรรพชิตผู้ได้สมาบัติ8และอภิญญาห้าเท่านั้นนะนะไม่สําเร็จแก่ผู้ที่ปราศจากคุณตามที่ได้กล่าวเพราะเหตุไร เพราะความที่ไม่สามารถที่จะค้นคว้าบารมีได้ถามบอกว่าปรารถนาพระพุทธเจ้าจะพยากรได้ไงใช่ไหมไม่สามารถระลึกชาติได้ค้นบารมีค้นบารมีในอดีตได้ถ้าระลึกชาติไม่ได้ก็จบเลยไม่รู้จะนึกยังไงว่าในการก่อนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ดีพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีเนี่ยที่เขาบําเพ็ญบารมีกันนี่ยมันต้องอาศัยบารมีในการที่จะระลึกต้องอาศัยอภิญญาในการที่จะระลึกเพื่อจะค้นคว้าบารมีด้วยตนเองนั่นแหละ และความเป็นผู้ปรกอบด้วยอุปนิสัยสมบัติและปัญญาสมบัติจึงจะสามารถที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและได้รับพยากรณ์เป็นต้นได้คําว่าอธิการะได้แก่การกระทําที่ยิ่งอธิการะหรืออธิการเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีศัพท์เอามาตั้งอะไรกันเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมถ้าเป็นพระสังฆาธิการก็เรียกพระสังฆาธิการนะมันจะคําว่าอธิการเนี่ยเนะี่ยการกระทําที่ยิ่งหรือ หรือถากในตําแหน่งกรมกลองทั้งหลายเขก็มีใช่ไหมอธิการบดีเนี่ยอธิการทั้งอะไรเนี่ยราะการกระทําที่ยิ่งก็เป็นปริจาคะเนี่ยิงอยู่อภินิหารย่อมสาเร็จแก่ บ, บุคคลผู้กทําการบริจาคชีวิตคือบริจาคชีวิตเป็นต้นได้และตั้งปณิธานเท่านั้นหาสําเร็จ บ, บุคคลนอกนี้ไม่เหมือนอย่างที่สําเร็จแก่โซเมทบัณฑิตโซเมีทบัณฑิตกระทาการบริจาคชีวิตแล้วจึงได้ตั้งปณิธานบอกว่า ที่บอกว่าอั ก, กมิตตวานามังพุโทโธสหสิทเสธิคัจฉุมานางกรลังอั ก, กมิทธะหิตายเมผวิสติในขุทถการนิกายในพุทธวงศ์เนี่ยนะในพุทธวงศ์อ่ะขอพระพุทธเจ้าพร้อมได้สิทธ์ทั้งหลายจงเหยียบข้าพระองค์เสด็จไปเถิด อ, อย่าได้เหยียบเปลือกตมนั้นเลยการกระทํายิ่งอันเนี้ยจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าวงเนี่ยอันเนี้ย ท่านท่านตั้งนี่แปลว่าบริจาคแล้วนะเนี่ยชีวิตปริจาคะันนี้นเนี่ยให้ชีวิตเป็นทานเรียบร้อยแล้วเราทดลองดูไหมเนี่ยไปนั่งไปนอนในความหนงประตูลองทดลองแล้วก็เริ่มจากพระเหยียบไปก่อนแล้วก็พวกเราทั้งหมดไม่ไหวเลยใช่ไหมเนี่ยเอาทดลองเอา ให้ทักันสมาทานศีลกันทั้งหมดเลยเนะี่ยเจริญสมาถาวิปัสนาเยียบเบืหลังกลับไปเนะี่ยโหต้งใส่เครสหลายวันเลยใช่ไหมตั้งบณิทา น, านอันนี้ทดลองเล่นเล่นหนึน่งบุคคลใดแม้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติที่กล่าวแล้วสละแล้วแม้ชีวิตของตนแด่พระพุทธเจ้าในการนั้นย่อมกระทําซึ่งการอุปการะอันยิ่งอภินิหารเนะี่ยนะย่อมสําเร็จแก่ผู้นั้นไม่สําเร็จแก่คนนอกนี้คําว่าฉันทะ ถึงพร้อมได้ฉันทะเนี่ยมาจากคำว่ากัตตุกรรมยาตาฉันทะฉันทะที่มีความเป็นผู้ปรารถนาที่จะกระทาอย่างแรงกล้าแรงขนาดไหนแรงขนาดไหนกัตตุกรรมยาตาฉันทะคือตายดีกว่าถ้าไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าตายดีกว่าถ้าไม่ได้เปล่งวาจาในการที่จะขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ใครเคยปรารถนาขนาดนี้ไหมการมีชีวิตอยู่ไม่ประเสริฐเลยอะแต่การได้ถวายร่างกายเป็นพุทธบูชาให้พระบรมศา ส, สดาทรงเหยียบข้ามไปทรงยังวระบาทเหยียบให้ข้ามไปจกเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพราะองค์ตลอดกาลแล้วนั้นเนี่ยก็ฉันทาประเภทนี้เขาเรียกกัตตุกรรมยตาฉันทาเขาแรงมาก ท่านแรงมากบารมีทั้งหลายเนี่ยนะทั้งทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาเวริยะขันติสัจจะทิฏฐานะเมตตาเวขาอุปปาลามีปรมัตถบารมีในบารมีธรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเกื้อหนุนชันท่ามาอย่างยาวไกลสิหกอสงไขยยิ่งด้วยเส้นกับจนมาถึงสี่อสงไขยที่ท่านถึงบอกว่าสละท่านสละชีวิตมาไม่รู้นับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้สละแก่ผู้พระผู้มีภาคนี่ย ถ้าท่านไม่ได้ทําันโอกาสนี้ท่านจะมีชีวิตอยูท่ทําไมฉันทาอย่างเงี้ยเขาเรียกกัตตุกกรรมยาตาฉันทะนั่นบุคคลเราระดับอย่างเงี้ยเวลาเราได้ฟังธรรมจะเวลาท่านได้ยินกระแสพระธรรมนี่นะใจท่านตื่นเต้นมากพวกเราเคยเป็นไหมวเวลาฟังพระธรรมคําสอนของพระบรมศ า, าสดาหรือได้อ่านพุทธพจน์ต่างๆเหล่าเนี้ยใจมันออกจากความเกียดค้านออกจากถีนมิถะออกจากความง่วงเห ง, งาเผลอนอนเป็นตั้งเลยนะแล้วหลับไม่ลงเลยเคยเป็นไหมจ๊อ หลับไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังใจจะขาดเนี่ยใครเคยคเคยเป็นขนาดนั้นไหมถ้าเป็นไปในลักษณะนั้นแสดงว่ากัดตกตกามยาตาฉันทาวันแรงมากน้อมที่จะฟังจริงๆน้อมที่จะปฏิบัติตามเชื่อตามแบบไม่สงสัยไม่ลังเลในพระธ ร, รรมคำสอนของพระพุทธมศ า, ศาสดาเลยไม่คิดบิดเบือนไม่คิดกบฏต่อพระธ ร, รรมคสอนพระพุทธเจ้าเลยอะ่ะเคยเป็นหมะ นิดเดียวก็ไม่เคยจะคิดว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ช่างไม่น้อมที่จะกระทําผิดเลยถ้าสิ่งเหล่านี้พระบรมศ า, ศาสดาว่าสิ่งนี้ไม่ควรแก่เดอก็ไม่ควรเลยถ้าเป็นขนาดนั้นฉันทะแรงมากศรัทธาแก่กล้ามากถ้าวันใดวันหนึ่งนะเราท่านทั้งหลายนะ่ะเข้าถึงจุดตรงนั้นได้เมนะื่อไหร่น่ะเริ่มปลอดภัยได้หน่อยๆแล้วชีวิตเริ่มปลอดภัยแล้วแต่ถ้ายังประเภทที่โหเจอพระธรรมคุตตาจ่ า, ายังเบรกไม่อยู่นี่นะ ประเภทที่โกรธจะ จ, จัดได้ยินพระธรรมแล้วหยุดได้โลภ จ, จัดจัดมีพระธรรมเข้ามาตัดกระแสความคิดแล้วหยุดได้หยุดทุกอย่างได้หยุดความโลภโกรธหลงเป็นต้นได้เป็นแ ง, งานขนาดนั้นเนี่ยถ้าเป็นขนาดนั้นน่ยกัดตุกกระมิยาตาฉันท้าแรงมากถึงแม้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนียถ้าเห็นสัญลักษณ์คําสอนพระเจ้าแม้นิดหน่อยแค่นั้นก็ยับยั้งบาปรกรรมได้เลยไม่ต้องเป็นมนุษย์นะเอาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ย เวลาเราจะทําบาปทําชั่วอะไรต่างๆเหล่านี้ยถ้าพระ ธ, ธรรมของพระเจ้าเนี่ยโผล่แวบมาในใจแล้วมันตัดปุ๊บเรยเลยเนี่ยท่านนี้ไม่ธรรมดาและแสดงว่าฉันทะเริ่มมีกําลังแล้วรักษาชันทะพอกพูนชันท้นนทประเภทนั้นไว้ฉันทะเหล่านี้จะเป็นใบเพื่อประโยชน์ในการเกื้อนหนุนทําให้ได้บรรลุแต่หาพระ ธ, ธรรมของพระเจ้าเนี่ยปุ๊บปุเข้ามาในใจแล้วยังหลับงื้อเงื้อเงื้นเนโอ้โหไกลมากเล ย, ยเนี๋ยวนีนะ ไกลแสนไกลเลยนะไม่ใช่ไกลธรรมดาเนี่ยนัไกลแสนไกลจากพระเจ้าไม่ใช่ไกลแสนไกลต่อกิเลสนะอันนี้ก็มาพิจารณาดูเราท่านทั้ทงหลายก็ดูตรงเนี้ยไม่ยากอ่ะวิธีตรวจสอบในการในกระแสขันธ์ธรรมยานะ้ฉันท่าในรั ก, กนั้นเขาเรียกกตุกรรมยตาฉันท่าฉันท่าความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะกระทำฉันท่าความปรารถนาเพื่อจะกระทํำนั้นของบุคคลใดเป็นธรรมะที่มีกําลังยิ่ง มีกำลังกลังกาลังอย่างเหลือล้นอภิธิหานย่อมสำเร็จแก่ บ, บุคคล น, นั้นก็ฉันท้าคือความเป็นผู้ปรารถนาเจตกระทำนั้นครอบงำว่าถ้าบุคคลพึงกล่าวว่าใครเล่าหมกไม่อยู่ในนรกตลอดเสียสงขายยิ่งโดยแสนกลับแล้วย่อมปรารถนาเป็นพทธเจ้าดังนี้ไ้บุคคล น, นั้นได้ฟังแล้วก็ตื่นเต้นเลยเนะตื่นเต้นอุสาหาเลยบอกได้บอกว่าข้าพระเจ้านี่แหละ ชันท่าคือความผู้ปรารถนากระทาบุคคลนั้นเชื่อว่ามีกําลังคือยกมือโลขายพระเจ้านี่แหละบอกว่าถ้าจะเป็นผู้ธเจ้าแล้วเนี่ยจะต้องหมกไหมในเวจีเนี่ยตลอดเสียสงขายายิ่งด้วยแสนกับคือไม่ต้องมาสร้างบา ร, รมีข้างนอกเลยจะไปอยู่ในนรกอย่างเดียวครบเสียสงขายายิ่งด้วยแสนกับออกจากนารกเป็นผู้ไเจ้าเลยท่านจะเอาโอ้โหยังเราเอาไหมเนี่ย เดินวันไม่เอาเลยไม่ตัดสินใจเร็วเลยไหมแบบเราโอ้โหอะไรขนาดนั้นใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมเสียสงขายยิ่งได้แสนกับก็ลองคิดดูเนี่ยผ่านพระเจ้ามาเท่าไหร่ยี่สิบกว่าองค์เนี่เป็นเป็นการที่พระเจ้านานๆเกิดครั้งไม่ใช่เกิดติดๆกันที่ไหนแล้วนานๆเกิดครั้งอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นใช่ไหมก็คิดอย่างนั้นเลย ชันท้าคือความเป็นผู้ปรารถนาที่จะกระทํานั้นพึงทราบอีกว่าบางคนว่าใครเล่าเหยียบก้ามข้าวสกลจักรวาลก้ามข้ามเนี่ยนะอันเต็มไปด้วยหุมทานเพิงที่ปรศาศจากเปลวปรารถนาความเป็นพู้เจ้าใครเล่าเหยียบข้ามสกลจักรวาลอันเกลื่อนกลนได้หอกและเหลาปรารถนาเป็นผู้เจ้าได้ใครเล่าลุยข้ามสกลจักรวาลอันเต็มไปด้วยน้ําที่เปรีมฝั่งแล้วก็ปรารถนาเป็นผู้เจ้าเนะ ใครเล่าย่ายีก้าวข้ามสกุลาจักรวาลที่เดรดดาดด้วยกอภัยเรียวหนามชั่วนิรันดรเป็นต้นก็ปรารถนาเป็นพื่เจ้าบุคคลได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็อุตสาหะอย่างแรงก้าวเข้าไปเจ้านี่แหละจะข้ามเข้าไปเจ้านี่แหละไม่ท้อเนี่นะในรักชันท้าความปรารถนาในลักษณะที่ยิ่งใหญ่ในลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกเป็นฉันท้าที่มีกําลัง สุเมธาดาบทนั้นเป็นผู้ประกอบไปด้วยความพร้อมด้วยฉันทะเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะกระทําโอกาสสภาวะนี้แล้วจึงได้ตั้งมณีธานความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่ผู้ประกอบไปด้วยทำตามที่ได้กล่าวแล้วคือฉันทะมากมีความปรารถนามากมีความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะกระทํามากมีอุตสาหามากวายามากมากและมีความสแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์แก่ธรรมทั้งหลายในการที่เป็นพระเจ้าเขาเรียกบําเป็นพุทธกาลธรรมให้สาเร็จ ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าองค์ทั้ง18ประการนี่เขาเรียกอัตถสมโอธาน8ประการเหล่านี้ก็คือจิตูบาทตันเป็นไปบอกว่าโดยการประชุมกันแห่งองค์8ประการเหล่านั้นความประชุมกันแห่งพิณิหารประกอบด้วยองค์8ประการย่ำกําหนดซึ่งความเป็นเนืยตาโพธิสัตว์คือความเป็นผู้ดีเที่ยงแท้ในการที่จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทีไหมที่ท่านตรัสเอาไว้ในลักษณะบอกว่า เอวังสับพังคะสัมปนาโพธิยานิยตานราสังสารังทีขมัตทานังกับปโกติสเตหิปิเรานรชนพูดถึงพร้อมด้วยองค์8ประการเหล่านี้อย่างนี้เมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตอันตลอดกาลอันยาวนานแม้ในการาร้อยโกรธกับย่อมเป็นผู้เที่ยงแท้ในการที่จะตัตรู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้ท่านจะกล่าวไว้ในอันธกถาชาดกแลนะ ท่านจะกล่าวในรักหนังนี้บอกว่าถ้าได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนิยตตาโพธิสัตว์และท่องเที่ยวไปอีกหลายโกรดกลับก็ไม่เป็นไรล อ, องหลับตาที่ท่านทั้งหลายว่าเราท่านทั้งหลายจะถึงแม้เราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่นะเราจากคิดได้ไหมว่าเราน่าจะเป็นนิยตตาที่ได้ตัดสุขใช่ไหมถ้าเรายังจะเป็นอนิยตตาใช่ไหมเผลอๆ เ, เราจะยาวกว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ยองต่อไปอีกใช่ไหม ก็ที่ผ่านมาตั้งยี่สิบประสงค์ขายแล้วเนี่ยด้วยการที่เราไม่ได้เราคิดว่าอุ้ยเราไม่กล้านี่แหละใช่ไหมเราไม่กล้าที่จะคิดบรรลุนี่แหละก็ลองคิดดูที่เอาอายุการสร้างบารมีของพระบรมศาสดาของเราองค์ปัจจุบันยี่สิบประสงค์ขายยิ่งโดยแสนกลับเป็นตัวตั้งแล้วลองคิดดูที่มาจนถึงวันนี้ถ้าสมมุติจะนับแค่ยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกลับในใจเรายังไม่กล้าจะบรรลุอีกอะ่ะใช่ไหม แล้วลองคิดดูทีแล้วมันจะไปอีกยาวขนาดไหนเนี่ยแล้วใครจะเมตตามาปรารถนาเป็นพุทธเจ้ามามาม า, มากๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดใช่ไหมนั้นะถึงบอกว่ามาถึงณวันนี้แล้วเนี่ยเลิกเล่นกวาตตะได้แล้วเริ่มตั้งอัธยาศัยกันได้แล้วในการที่จะมุ่ง ม, มั่นในจะออกจากสังสารวัฏ ฉะนั้นหลังจากที่ได้รับพุทธบัญญัติเบ็ดเสร็จแล้วนิยอตาโพธิศัตร์ผู้มีพิณิหารสําเร็จแล้วย่อมไม่เข้าถึงอภภาษิสปดประการคือฐานะที่ไม่สมควรนะก็คือว่าพระนิ้อตาโพธิศัสตร์นั้นจำเดิมแต่ได้อัตตสโมโอทานบริบูรณ์อย่างนี้แล้วย่อมเป็นคนไม่เป็นคนบอดแต่กําเนิดไม่เป็นคนหูหนวกแต่กําเนิดไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนแคะไม่เกิดในชนชาติมิละขะคนป่าคนเถื่อนเนี่ยนะ ไม่เกิดในท้องของทาสีคนขอทานไม่เป็นเนื้ตามิฉาทิติเพศของพระองค์ก็ไม่กลับเป็นสตรีอีกแล้วไม่ทําอนันติเริยกรรมห้าอย่างโอเราไม่ปลอดภัยเลยนะอนันตรียกรรมเนี่ยเราเนี่ยมีโอกาสจะไปทํำอนันตรียกรรมอีกนะในอนาคตเนี่ยห้าอย่างนั้นเรามีโอกาสด้วยนะครบห้าด้วยถ้ายังอัธยาศัยเราตั้งกันแบบเนี้นะถ้าไม่แข็งแรง ไม่เป็นคนโรคเรือนเเราก็มีโอกาสไปโรคเรื้อนนีู่นะถ้าเกิดในกำเนิดสติละชานมีอัฐภาพปานกลางไม่ใหญ่กว่าช้างแล้วก็ไม่เล็กกว่านกกระจาบเรามีโอกาสเลยใหญ่กว่าช้างก็เป็นเล็กกว่านกกระจาบจาบก็เป็นเเป็นหนอนก็ได้ยศบางเงี้ยเป็นหนอนก็ได้เป็นแมลงก็ได้อเป็นมดก็ได้ถ้าเป็นมดก็ไปยกพว ก, กัดกันก็ได้สิพวกคนละพวกอะจะไหมสามารถจะกัดกันได้ ไม่เกิดเป็นขุปาศิกเปเตแล้วก็นิชามะตันหิกเพตไม่เกิดในพวกกาลิชิกาศูนย์ไม่เกิดในเวจีมหานรกเห็นไหมแล้วก็ไม่เกิดในโรกาติกาานรกแล้วก็ไม่ไม่เป็นมารในสวรรค์ชั้นกลางอวจรในรูปอวจรทั้งหลายไม่เกิดในสัญญาสัตยภพไม่เกิดในสุดทวารสุดาวารไปไม่ได้อารูปก็ไม่ไปแล้วก็ไม่ไปสู่จักรวาลอื่นโอ้โหอันตรายมากเราจะผูกจิตของเราไว้ในจักรวาลที่เป็น จากวานที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะก็ไปนั่งคิดนะนะในลักษณะอย่างนี้พุทธภูมิก็มีอุตสาหาอุมมัคคะอวถานะแล้วก็หัดขีตาจริยาเนี่ยแต่โพธิสัตเป็นพูดถึงพร้อมเนีนะนะถึงพร้อมได้อัธยาศัยในลักษณะที่บอกว่าพุทธภูมิสี่ประการเนะี่ยที่ท่านบอกว่าอุตสาโหวิริยังวัตังอุมมคโคปัญญหาปวัจติ อวถธานังอธิทานังหิตะจริยาเมตาภาวนาบอกว่าวิริยะอันมั่นคงเขาเรียกว่าอุสาหะเนี่ยถ้าได้เป็นนิยตพอดิสัตธ์ตแล้ววิรยิยะนีมั่นคงมากปัญญาที่คมกล้าเรียกว่าอุมมะคะอธิฐานอันไม่วันไหวเรียกว่าอวถานะเมตตาภาวนาเนี่เป็นปุเรจาริกของพระพอดิสัท์ทั้งหลายเนี่ยนะ เขาเรียกว่าหิตาจริยาคือการประพฤติประโยชน์เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในพระโพธิสัตว์เนี่ยมีทุกอัตภาพแลยอะเมตตาแกบุกคคลนี้ทบหัวตัวเอยงได้นี่ยมีธรรธรรมดาเนะต้องเมตามีความรักประหลาดนาดีเอื้อทอนเนีนะนะอย่างเรามีใครตําหนินิดหน่อยเมตตาก็ได้ไหมไม่ได้อย่างที่ไม่รู้จักเรายัางเผลอโกรธตังเยอะแยะเยอะไม่เยอะพอได้ยินข่าวคนนั้นตรงเนี้โยโวยโกรธที่โกรธ อัตถกาถาจริยาปีดกให้อธิบายบอกอุตสาหะปัญญาอธิฐานะหิตะจริยาเป็นปัจจัยแก่บา ร, รมีทั้งหลายเป็นพุทธภูมิเพราะเป็นฐานะที่ตั้งในการเกิดขึ้นอย่งความเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าวิญญาณนี่เข้มแข็งอย่างยิ่งเข้มเข้มแข็งระดับที่บอกว่าเนื้อเอ็นหนังเอ็นกระดูกใช่ไหมเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอดจะเหลือแต่นหนัง เอ็นแลก้กดูเห็นไหมครบสี่เดีองค์สีอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็าเรียกวิริยะที่แข็งแรงแข็งแรงนะพระโพธาสัตว์ทั้งหลายมีวิริยะแบบเนี้ยแข็งแรงมากเราลองบูชาวิริยะของพระพุทธเจ้าดูสักข้อไหมเขาเรียกว่าบำเพ็ญบูชาทุกกลักิริยาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาบางคนเขาบำเพ็ญต้องการบำเพ็ญความเพียรอุตสาหะเขียวอุตสาหะปัญญาเป็นความฉลาดในอุบาย ในโพธิสัมพานเชื่อว่าอุห ม, มังคะอธิษฐานก็คือว่าไม่หวั่นไหวเจออุปสรรคเจอปัญหาอย่างไรก็ก็ไม่หวั่นไหวอุปสรรคและปัญหาจะทําให้คนแข็งแกร่งหรือทําให้คนอ่อนแอทำให้คนแข็งแรงนะแข็งแกร่งนะฉะนั้นเจออุปสรรคอย่าไปทอ้อถ้าท้อเนี่ยแสดงว่าอธิษฐานนะตัวนี้ไม่แข็งแรงอธิษฐานนะต้องแข็งแรงต้องไม่หวั่นไหว แล้วก็อวัฐานะเขาเรียกว่าทิฏฐานไม่เลือกเรียกอวัฐานะเมตตาภาวนากรุณาภาวนาชื่อว่าหิตจริยารวมกรุณาภาวนาด้วยนะแล้วอัธยาสัยทั้งหประการก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนะเนกขมะอัชชาสยะก็คือว่าอัธยาศัยเนกขมะมีปกติเห็นโทษในการทั้งหลายในเพศฆราวาสเป็นต้นปริเวกัตชาสยะก็คืออัธยาศัยในปริเวกก็คือว่ามีปกติเห็นโทษในการคุกคีด้วยหมู่คณะนะ อะโลพัชชาสยะก็ค <mister isation> ือ <Kelvin> อ <and grace fictional> ัตยาศัยในความไม่โลภได้แก่มีปกติเห็นโทษในโลภะอโทศาสชาสยะก็คือว่าอัตยาศัยในความไม่โกรธมีปกติเห็นโทษของโทสะอโมหัตชาสยะคืออัตยาศัยในความไม่หลงได้แก่มีปกติเห็นโทษในโมหะนิสรณัตชาสยะก็คืออัตยาศัยในการสลัดออกได้แก่มีปกติเห็นโทษในภพคนมีนิสระนัตชาสยะหรือเป็นอัตยาใสเนี่ยก็เห็นโทษในภพทั้งปวงการเกิดนี่ยก็เห็นเป็น ทุกมากที่ท่านบางทีท่านอุปมาขนาดว่าอุจล่าแม้ติดที่ปลายยาคายังมีกลิ่นเหม็นชั้นใดชื่อว่าพบเนี่ยนิดเดียวก็เหม็นว่างั้นเป็นโทษเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเช่นั้นเขาเห็นอย่างนั้นนะการเห็นในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเห็นโทษในพบประดังเห็นเห็นพบทั้งสามปดุจดังไฟไหม้จริงๆคาว่าเห็นพบทั้งสามปดุจดังไฟไหม้มันเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาในการคิดสลัดออก ไม่ใช่เห็นได้โดยการไปทดลองทดลองนะยกตัวยอย่างเช่นเราไปอยากจะรู้ว่ากรณีที่ไฟมันร้อนแค่ไหนก็ไฟมาเผาตัวเองเนี่ยเพราะเราถูกเผามาตั้งนานแล้วคนมีปัญญาเนี่ยเขาคิดเขาเข้าใจได้โดยการบ่มปัญญาไขครัครวนหมเหมือนการพิจารณาการสามเี่ยเขาพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะและความเพียรที่มั่นคง ก็สามารถที่จะยังไปถึงการสามยังไปถึงอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นได้แม้ภายในภายนอกยาวละเอียดเร็วปราณีตไกลไกก็ในลักษณะอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นลักษณะว่าจะต้องจ้องจดจดอยู่เฉพาะในปัจจุบันอย่างนั้นเท่านั้นนะอันนี้ต้องให้เข้าใจว่าท่านใช้ปัญญาเป็นตัวในการวิจัยนะวิจัยจนสามารถจะรอบรู้แล้วก็ละเป็นต้นได้สุมเมธาบัณฑิตโพธิศัสตร์เป็นผู้ประกอบด้วยอัธยาศัยเหล่านั้น ทีนี้ในอัตยาศายทั้งหของพระโพธิสัตว์นั้นพึงทราบว่าเป็นปัจจัยแก่บรารมีทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่ทานบารมีเป็นปัจจัยแก่ศีล บ, บรารมีเนตขมารปัญญาวิริยขันติสาจาัจจะทิฏฐานเมตตาและก็เวขาใช่ไหมพระโพธิสัตว์ยึงประกอบไปด้วยอัตยาศัยอีกหเออหนี่นะแล้วก็ไปขัดเกลาร์ทาให้10ประการเนี่ยเป็นทานทานัชชาสยะก็อัตยาศัยในทานการให้ทานเนี่ยเป็นอัตยาศายของท่านเลยนะพระโพธิสัตว์ สีลัชธิสยายอัธยาศัยในการที่รักษาศีนเนี่ย น, นะก็เป็นอัธยาศัยแล้วไม่ต้องฝืนล่ะถ้าเป็นอัธยาศัยต้องฝืนไหมไม่ต้องฝืนเลยอะได้ยินคําว่าศีนแค่นี้ก็น้อมมาขัดเกลาตัวเองเลยไม่ต้องตั้งใจล่ะไม่ต้องไปตั้งใจฝืนใจเลยว่างั้นเถอะอย่างเราท่านทั้งหลายยังฝืนไหมปรารถนาจะมีศีลที่มากมากยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องฝืนไหมต้องฝืนนะบางทีใช่ไหม เนคคำมัชชาสยะในการที่จะออกจากกรรมคุณออกจากวัตถุกรรมต้องฝืนไหมโอ้โหต้องฝืนแรงเลยบางอย่างใช่ไหมใจมันน้อมติดในวัตถุกรรมอะแล้วก็ยถาภูตะยณทัทนะฉะท่ะาถถถยถาภูตะยานัฉายะก็คือว่าชาสยะคืออัธยาศัยในการที่จะรู้ตามความจริงบอกปัญญาเราเนี่ยต้องต้องใช้ความเพียรมากไหมต้องใช้วิตกเยอะไหมปัญญาถึงจะเกิดโอ้ ถ้าพระพิศัท์เนี่ยคิดแป๊บเดียวเข้าใจทันทีเลยนั่นแหะแปลว่าอธัธยาศัยท่านน้อมไปหาปัญญารู้ว่าที่ไหนจะได้ปัญญาท่านน้อมไปใข่ควรนนะึแล้วก็วิญญาชาสยะอธัธยาศัายในวิรยิยะของเราแรงไหมอธัธยาศัายวิริยะแรงไหมไปนั่งในที่ไหนไม่เึกทีน้ำมิถ้าไม่เคยครอบงำเลยเป็นไหมถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าอธัธยาศัยโววิริยะแข็งแรงมากขันติชาสยามคืออธัธยาศัายในขันติบอกเหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ย จะโกรธใครสักนิดกันยากจริงเป็นไหมยังไม่เป็นเลยนะอันนี้ก็ฝึกไปสัจจชาสยะอธิยาศัยในสัจจะเป็นไงพูดไปแล้วทิ้งคําพูดบ่อยไหมไม่ได้พูด <c oughs> แล้วก็อธิษฐานชาสยะอธิยาศัยในการตั้งจิตมั่นไม่เปลี่ยนเน่ะไม่เปลี่ยนในนี้ไม่แค่ไปตั้งทาชั่วเนะ่ตั้งชั่วเขาไม่เรียกอธิษฐานต้องเป็นตั้งทําดีนะ เมตตาชาสยะอัธยาศัยในเมตตาอุ้ยเมตตาเปี่ยมล้นมากคือมีเมตตาเป็นปกติอ่ะเป็นอัธยาศัยเลยนะแล้วอย่างก็คือว่าอุเปขาชาสยะอัธยาศัยในความเป็นกลางเนี่ยนะคือจัดสรรมากไม่ค่อยเอียงอะ่ะพวกมีอุเบกขาเนไม่เอียงหรอกไม่ค่อยเอียงไปฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ความเป็นกลางสูงมากกลางระดับไหนกลางระบบระบบแบบมัชชิมาไม่ค่อยเอียงไปหาโลภะกับโทสะ พวกที่เอียงไปหาโลภะกับโทสะเนี่ยเขาเรียกว่าอัตฉยาใัยไม่ค่อยมีไม่ไม่ไม่เป็นกลางแม้อัจฉยาใัยทั้งหลายมีทานัชชาสยะเป็นต้นความเป็นผู้มีอัจฉยาใัยในทานก็เหมือนอัจฉริยาใส่หกประการเนะีเป็นปัจจัยแกบารมีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอ่ะที่ประพฤติปฎิยาณ น, นะจึงอยู่ว่าความเป็นผู้มีอัจฉยาใัยในทานของโรธิสัตว์เนะี่ยจึงเป็นผู้มีปกติเห็นโทษในความดันนี้ ท่านจะเห็นโทษมาเวทนีเป็นโทษมากเป็นปิดปากต่อทานนี่เป็นบําเพ็ญทานบารมีบริบูรณ์โดยชอบทีเดียวท่านจะชอบบาเพ็ญทานนะทานาะบารมีมาวันไหนไม่ได้ให้ในรู้สึกใจไม่ผาสุกเนี่ยนะใครถึงขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้ให้แม้แต่นิดหน่อยเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขเลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอัธยาศัยท่านแข็งแรงมากหรือเป็นผู้มีอัธยาศัยในศีลเป็นผู้มีปกติเห็นโทษในความเป็นผู้ทุศีน ที่จริงกวางเป็นผู้ทู่สีนเนี่ยบังเป็นศีลบารมีบริบูรณ์โดยชอบฉะนั้นคนที่มีอัธยาศัยในศีละมีอัธยาศัยในศีลเนี่ยเห็นทันทีเลยถ้าไปเห็นคนทุ่สีนเนี่ยโอ้โหกลัวมากกลัวว่าการทุ่สีนี่แหละที่ทําให้เสียหายในสังสารวัฏใช่ไหมแล้วก็เห็นเลยรไหมไปดูสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่สมประกอบทั้งหลายนี่โทษของการทู่สีนะเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่ประสบความทุกข์นานนับการนี่ทนการทู่สีนะเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่ เกี่ยวในเรื่องของยากจนเป็นต้นอะไรนี่โทษศีลเป็นต้นก็คิดออกครับเห็นทับายศาสตร์ทั้งหลายก็บอกนี่ไงทษการทุศีน่นนะเห็นคนมีปกติไม่สมบูรณ์ทั้งร่างกายเป็นต้นนี้เขาเนี่ยทนการทุศีนก็เห็นไงหรือความเป็นผู้มีอัธยาศัยในเนี่ยขม่าเป็นผู้มีปกติเห็นโทษในการมทั้งหลายในการคลองเรือนเออบางคนมีปกติเห็นโทษจริงๆเนีเห็นโทษในการคลองเรือนเห็นโทษในการที่จะต้องหมกมุ่นในการมาคุณทั้งหลาย เห็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแก้งใส่แสร้งว่าเห็นนะมองไปที่ไหนก็เห็นนั่นนะหลายๆคนน่ยมองบอกโอ้ยมีมีโทษจริงๆอ oui มีโทษโดยป่ายเดียวความเป็นผู้มีอัธยาศัยในการรู้ตามความเป็นจริง ท, ท, ที่ว่ายัตถาภู ร, ริยานเนี่ยนะเป็นผู้มีปกติเห็ น, นโทษในโมหะเห็นโทษในอุทะจะเห็นโทษในวิจิกิจฉาเห็นโทษในกลุ่มของสัมโมหะทั้งหลายเนี่ยเหวินมากเลยบอกโอ้ยสัตว์ทั้งหลายที่มืด โ, โมหันอันตรการเนี่ยครอบงามกระแสขัน ทำให้สัตว์แบบนั้นทำบาปได้ท no ุกชนิดเนี่ยไม่รู้อยากพ่อจากแม่เลยนะคนที่โมมีโมหะมากๆเนี่ยอบายสัตว์มเคยรู้จากพ่อแม่ไหมไม่รู้เลยเห็นไหมเวลาโมหะมากๆเป็นแบบนั้นเละบอกพ่อนะพ่อนะมันไม่ฟังหรอกมันกัดก็กัดมันอยากทําอะไรก็ทํานี่ไหมมันเป็นอย่างนี้คนเราท่านทั้งหลายที่โมหะมากๆไม่รู้ว่าพ่อเป็นยังไงแม่เป็นยังไงในส่วนจริงมันก็เป็นได้แบบนี้เราท่านทั้งหลายเคยมีโมหะครอบงําอย่างยาวไกลขนาดนั้นมาอย่างยาวนานแล้ว บางพบบางชาติเรามาเจอพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาดูเหมือนเป็นคนดีกันอยู่พักเดียวนะเนี่ยนะเข้านะเข้าถ้าหากว่าไอ้โมหะมันกลับมาครอบอีกเล่านี่แหละเป็นคนชั่วสุดเลยอะ่ะเนี่ยโมหะเนี่ยมันปิดกระแสขันของสัตว์ทั้งหลายก็ทําให้สัตว์นั้นทําได้ในสิ่งที่ไม่อวนดำไปเนะทุจริตทั้งหลายมีกายยัทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตทั้งหลายก็หมุนเข้าสู่กระแสขันของสัตว์ทั้งหลายก็เพราะไอ้โมหะไอตัวเนี้ยที่มันปิดทําให้สัตว์ทั้งหลายแยกแยกไม่ออก แต่ก่อนนี้นะเวลามีคนมาบอกว่าเออไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษไม่รู้จักประโยชน์แล้วไม่ใช่เป็นประโยชน์เนี่ยนะแต่ก่อนเราเถียงคอเป็นเอ็นเลยเนะยเอ๊ะทําไมเราจะไม่รู้ว่าบุญหรือบาปเพราะเราโตแล้วใช่ไหมเอาหลายๆคนที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่อมาดูถูกนะเชื่อไหมบางคนไม่รู้อ่ะจากบุญจากบาปอ่ะถ้ารู้ไม่รู้จักบุญจากบาปอ่ะถ้าพูดโอ้โหงี้ แล้วก็โกรธใช่ไหมเอ๊ะทำไมเราเรียนถ้าทพระธรรมมาตั้งนานไม่พราดมาบอกว่าหาว่าเราไม่รู้จักบุญจักบาปเรามาพิจารณาดูที่ว่าถ้าเรารู้จักบุญจักบาปเราจะให้โทรศัทมันไหลเข้าสู่จิตทำไมอันนี้เป็นบาปเนี่ยทำไมจะให้โทรศัไหลเข้าสู่กระแสะจิตทำไมจะให้โมหะหมุนเข้าสู่กระแสะจิตทาไมก็แสดงว่าเราไม่รู้ ถ้าเรารู้ว่าเป็นบุญเราทําไมไม่เรียกร้องให้บุญมันเข้าสู่กระแสจิตเราทุกเวลาทําไมต้องให้บาปมันวิ่งก็สู่ใจเราอยู่ตลอดเวลานี่ไงไม่รู้จากบุญไม่รู้จากบาปเห็นหรือยังใครเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าโอ้เราเองไงเป็นผู้ไม่รู้จากบุญไม่รู้จากบาปไม่รู้จากคุณไม่รู้จากโทษไม่รู้จากประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้จากทําดําทําขาวใช่ไหมมันรู้เป็นบางเวลาแล้วเวลาที่รู้สั้นนิดเดียวอ่ไอเวลาที่ไม่รู้เนี่ยยาวไกลด้วยเอาสิ เอ๊ะั้นแต่มีใครมาบอกว่าไม่รู้จากบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักทำดำทำขาวอย่าไปโกรธเขาไม่รู้จริงๆบางทีอะมันไหลเข้ามาตั้งนานแล้วใช่ไหมกว่าจะรู้ว่าเล่นบาปสําเร็จรูปไปแล้วเนี่ยโกรธไปซะตั้งนานแล้วโลภไปซะตั้งนานแล้วแล้วก็หลงไปซะตั้งนานแล้วเราจึงมารู้ตึกเนื้อลูกสิกตัวทีหลังนี้นหรือคือคนรู้จักบุญรู้จักบาปอ้าวถ้ามีใครมาบอกเราว่าไม่รู้จักบุญไม่รู้จากบาปแล้วจะโกรธเขาไหมเขาพูดถูกไหม พราะพระเจ้าไงเป็นผู้พูดปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยใช่ไหมไม่ได้ฟังทำจากภริยาเนี่ยไม่ได้เห็นภริยาเป็นตัวอะไรเนี้ยไม่รู้จักบุญไม่รู้จากบาปหรอกไม่รู้จากคุณไม่รู้จักโทษไม่รู้นิพพานมีคุณนะไม่รู้ว่าตะนี่เป็นโทษไม่รู้จริงๆถ้ารู้เราจะต้องน้อมจิตไปเพื่อจะไปนิพพานแล้วไม่ใช่น้อมจิตที่จะไปในวัตะใช่ไหมก็แสดงว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์เรายังแยกไม่ค่อยยอกจะออกเลย ขนาดฟังว่าท ร, รมาขนาดนี้นั้นนานบุญมันจะมาแทรกสักระยะระยะส่วนใหญ่บาปวิ่งเข้าสู่กระแสะขันาธาตุระยตนาของเราท่านทั้งหลายโอ้ชีวิตจะบปวนยิ่งเยอะนั้นเราท่านทั้งหลายก็อย่าพึงไว้วางใจพุทธชนอย่าไว้วางใจสักวันหนึ่งใช่หไหมมันก็กลับกายพินไม่รู้จักบุญจากบาปมันจะไหลเข้ามาเนี่ยก็ตั้งมั่นในการที่จะเดินตามรอยของพระบรมศา ส, สดาให้ชัดทั้งควรเกี่ยวเวลาหีื สมควรเกียวเวลาในตอนช่วงเช้านี่นี่ยข้อมูลธนาที่ตั้งใจฟังกันตอนบ่ายก็ค่อยต่อกัน